ค้าบทที่7ว่าด้วยการคัดคานการแจกจีวรที่ชอบทำเรื่องพิชซณีทุละนันทา911สมัยนั้นพ ร, ระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทรบรับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาพินทิกาเศษฐีเขตภูงสาวัถีครั้งนั้นอาการจีวรนเกิดขึ้นแก่พิชซณีสง์ลําดับนั้นพิชซณีสงประสงค์จะแจกจีวั น, นั้นจึงประชุมกันเวลานั้นพวกพิชซณี เตวะศีลีของภิกษุณีทุลนันธาหลีกไปแล้วภิกษุณีทุลนันธาได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายหลีกไปแล้วอย่าเพิ่งแจกจีวรเลยคัดค้านการแจกจีวรพวกภิกษุณีกล่าวว่าอย่าเพิ่งแจกจีวรเลยแล้วแยกย้ายกันไปเมื่อเราภิกษุณีอันเตวะศีลีกลับมาภิกษุณีทุลนันธาจึงให้แจกจีวร น, นั้น แม่เจ้าทุลนันธาจึงขัดขานการแจกจวนที่ชอบทาเล่าครั้นแล้วพิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุทั้งหลายได้นำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงสาบ